อันนี้ตัวใครตัวใครก็แล้วกันนะสมัยใหม่มีหมดอ่ะนะเดี๋ยวก็เจอบาดกระทุ่อนะบาดปกติควรจะ อ, อุ้มนะีมันไปวางผิดที่นี่ยุ่งมือกันนะเจอยุคใหม่อะไรก็เกิดได้หมดอนะ่ะเชื่อเหรอเพราะถ้าหากว่ากรณียกิจ4ประการเนี่ยนะก็คือการอยู่ด้วยปัจจัยทั้ง4ประการอย่างสบายๆง่ายๆถ้าอย่างนี้การใช้ชีวิตในสมณะเพศก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่หนักหนาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ที่หนักอะไรนะัก แต่ที่สําคัญที่สุดว่าเข้าใจวิธีการเจริญอธิศีนเข้าใจการเจริญอธิจิตเข้าใจการเจริญอธิปัญญาไหมสาระสําคัญอยู่ที่ตรงนั้นก็ยะถาสารุ ป, ปะสันโดษเนี่ยเป็นเป็นยอดของสันโดษใน3อย่างเรียกว่าข้อสุดท้ายเนี่ยนะถ้าถือเอาการณียกิจ4ประการที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอันนี้แหละเป็นถือว่าเป็นอย่างยิ่งแล้วล่ะทีนี้พระปุณณมันตานีบท ท่านเป็นผู้ที่สันโดษในจีวรสันโดษในอาหารบิณฑบาตสันโดษในเสนาสนะสันโดษในขีฬานะปัจจัยเภสัตบริขารเนี่ยนะโดยตัวของท่านเองเพราะท่านรู้ว่าถ้าไม่สันโดษแล้วมันมีโทษใดๆเกิดขึ้นโทษในปัจจุบันเป็นอย่างไรโทษในสัมปรายภพโทษในอนาคตต่อต่อไปเป็นอย่างไรหรือว่าถ้ามีความสันโดษความสันโดษนั้นเป็นบาศของการ พิจารณาอริยสัตว์เป็นอย่างไรเพราะว่าชีวิตของสัตว์ในโลกเนี่ยนะโดยมากก็สแสวงหาปัจจัย4ี่ใช้ชีวิตเพื่อปัจจัย4ี่ซะส่วนใหญ่เนี่ยนะก็อย่างชีวิตทีชีวิตนะวิถีชีวิตของคนโดยมากเนี่ยแสวงหาอะไรสแสวงหาปัจจัย4ตอนแรกก็บอกว่าเนี่ยเครื่องนุ่งห่มบ้างสแสวงหาเรื่องอาหารการครองชีพบ้างหาที่อยู่บ้างอย่างสมัยใหม่ก็บอกโอ้คนที่มีบ้านเป็นของตัวเองนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยนะถ้ามีบ้าน นะมีบ้านมีที่ทํางานกระที่ทํางานก็นการมีงานทําก็หวังว่าจะแปรผลแห่งการกระทํางานมาเป็นเครื่องนุ่งห่มบ้างมาเป็นอาหารบ้างมาเป็นอยู่เป็นยาบ้างก็คือแสวงหาปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีวิตเพรันการใช้ชีวิตในโลกนี้โดยมากก็แสวงหาการเลี้ยงชีวิตเพื่อความอยู่รอดไปวันวันหนึ่งนะแต่ไม่รอดตลอดไปนะเพราะไม่ฆ่าก็ตายเนี่ยนะ เพราชีว <CE> ิตมีความตายเป็นที่สุดรองแต่การแสวงหาปัจจัย4ี Lind ่ก็เพื่อเลี้ยงดูชีวิตให้เป็นไปได้เมื่อชีวิตเป็นไปได้แล้วเนี่ยนะไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4ี่ไม่เดือดร้อนในเรื่องเครื่องนุ่งห่มไม่เดือดร้อนในเรื่องอาหารไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัยไม่เดือดร้อนในยุกยาทั้งหลายทั้งปัจจุบันและต่อต่อไปเนี่ยก็ถือว่าชีวิตมีเวลาที่เหลือเฟือแล้วเพราะคนที่บริบูรณ์พูนสุขไม่เดือดร้อนไม่ลำบากเรื่องปัจจัย4นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ มีบุญแล้วเนี่ยนะมีบุญระดับหนึ่งแล้วถือว่าเป็นฐานที่จะเจริญสมถาวิปัสนาได้เว้นไว้แต่มาแข่งดีกันในเรื่องว่าใครมีผ้าดีกว่ากันแพงกว่ากันแล้วก็เยอะกว่ากันใครมีอาหารดีกว่ากัน น, นะอร่อยกว่ากันแพงกว่ากันเป็นต้นหรือมาแข่งกันว่า ใครมีบ้านอยู่ใหญ่กว่าการแพงกว่าการทำเลดีกว่ากันแต่ถ้ามาคิดและแข่งในลักษณะนั้นก็อาจจะสามชาติอาจจะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะก็สุดแท้แต่ว่าบุญเก่ามาดีหรือไม่ประโยคะดีหรือไม่องค์ประกอบมันเยอะเนี่ยนะถ้าไปแข่งคนที่มีบุญเข้าล่ะเนี่ยนะไอคนที่มีบุญนี่เขาทําแบบสบายๆไอคนบุญน้อยนี่แม้ทยุทยานเนี่ยเหื่ขึ้นคอแล้วก็ พอทำสำเร็จเอาหมดชีวิตไปอีกชาติหนึ่งแล้วนั้นก็ต้องแบ่งเวลาชีวิตให้เป็นว่าเออเวลาของชีวิตของเราเนี่ยควรจะทำอะไรวัยต้นควรจะทำอะไรวัยกลางคนควรจะทำอะไรปลายคนไปแล้วควรจะทำอะไรเพราะว่าพบใหม่เนี่ยก็เหมือนกับว่าโลกเนี่ยจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเนี่ยนะจะมีเครื่องเอ่อผ้าผ่อนท่อนสบายจะมีมากขนาดไหนก็ช่างเถอะจำต้องละทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปทั้งหมดจะมีอาหารเท่าไหรก่ก็อย่างเสื้อผ้านเนี่ยจะมีเยอะมันก็จ่ายใส่ทีละชุดเท่านั้นแหละ ถ้าใส่เยอะใส่วันละยี่บชุดเนี่ยใครจะซักให้ในด้เดือดร้อนอีกแล้วเห็นไหมใช่ไหมถ้ามีบ้านก็นอนอิ่มเดียวเนี่ยใครจะไปนอนเฝ้าเตียงเลยทั้งวันทั้งคืนไม่ไปไหนเอาไม่ไรกก็ไม่เอาอย่างนั้นแหละนี้ถ้าเรื่องอาหารมันก็อิ่มเดียวเนี่ยนะจะทานอะไรมันก็อิ่มเดียวเหมือนกันต่อมือเนี่ยนะถ้าอิ่มติดติดกันหลายๆมือ้อเนี่ยท้องไม่เคยว่างเลยอันนี้ก็เดือดร้อนอีกเหมือนกันเลยเพราะนั้นก็ต้องความเหมาะสมเห็นไหม แม้กระทั่งยาเนี่ยมันก็จําเป็นเพียงว่าเมื่อหายโรคแล้วมันก็หมดความจําเป็นเหมือนผ้า พ, พันแผลเนี่ยนะมันก็มีความจําเป็นต่อเมื่อมีแผลยาทั้งหลายก็มีความจําเป็นต่อเมื่อมีโรคถ้าไม่เดือดร้อนในเรื่องของปัจจัย4แล้วเนี่ยนะถือว่าชีวิตเป็นไปได้และเมื่อชีวิตเป็นไปได้ก็อาศัยชีวิตที่เป็นอยู่นี่แหละมาเจริญประโยชน์เพื่อประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งเนี่ยนะประโยชน์โลกหน้าคืออะไรก็แปลว่าชีวิตในชาติหน้าเราต้องอยู่อย่างไรบ้าง แสดงว่าชีวิตในชาตินี้อยู่ด้วยปัจจัยสชีวิตในชาติหน้าก็อยู่ด้วยปัจจัย4ี่เหมือนกันแล้วเราทําเหตุอะไรเพื่อว่าชาติหน้าเราไม่ต้องเดือดร้อนในเครื่องเครื่องนุ่งห่มแน่นอนอย่างบางคนเนี่เกิดมาอาภัพเครื่องนุ่งห่มเหมงอนกันเถอะอาภัพเครื่องนุ่งห่มบางทีเนี่ยอย่างเขมีในชาดกนะนะอดีตอดีตชาติของนางอุบลวรรณนาเถรีเนี่ยเกิดมาในตระกูลที่ยากจนอยากจะใช้ผ้าดอกคำเนี่ยนะผ้าที่ย้อมด้วยดอกคํา ก็เลยมันไม่มีอ่ะไปขอแม่แม่ก็บอกไม่มีหรอกแต่บ้านเรามันยากจนนางก็เลยไปทํางานอยู่3ปีจึงได้ผ้าดอกคำมาใช้เนี่ยนะก็เลยตอนหลังก็ไปเห็นพระรูปหนึ่งมีจีวรถูกโจนเนี่ยปล้น น, นะนะไปเกิดมาในยุคที่จีวรเนี่ยมันหายากผ้าหายากพระก็เลยถูกเขาชิงผ้าออกไปนางก็เลยแบ่งผ้านั้นไปถวายพระแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้เป็นผู้ที่มีผิวพรรณงดงามเป็นต้นเพราะฉะนั้น บางคนที่เกิดมาเนี่ยเดือดร้อนในเรื่องผ้าจริงๆยังเจอยอมผู้หญิงบางคนก็เล่าให้ฟังว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะโตขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยแม้แต่เอาผ้าจะนุ่งก็ยังยากโตเป็นสาวแล้วก็ยังหาผ้าจะนุ่งจะห่มก็ยังยากถ้าเรายังคิดว่าเรายังต้องเวียนไหวตายเกิดอีกนานเราจะต้องใช้ผ้าเนี่ยตลอดชาติเราผลัดเปลี่ยนมากี่ผืนตลอดชาติของเราเลยนะผืนนับประมาณใช้ได้กี่ปีนะแต่ละปีเนี่ยต้องใช้กี่ชุด และแต่และชุดเนี่ยอยู่ได้นานเท่าไหร่ก็มาคํานวณดูถ้าเกิดชาติหน้าหนึ่งชาติเราต้องใช้ผ้าอีกกี่คู่แล้วก็ทําเหตุอะไรที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องผ้าถ้ามันแค่ชาติหน้าอย่างเดียวก็ไม่มีปัญหามันอีกตั้งหลายชาตินะ่ยก็มาคิดดูอีกทีนึ่งอันนั้นเป็นประโยชน์ในโลกหน้าเขาบอกว่าถ้าบางคนบอกเขาจะนิพพานและเขาไม่ต้องเขาไม่ต้องการทําบุญอนะันนั้นมันสังสมวัตตาขอให้จริงเถอะเนี่ยนะทำไม่จริงแล้วคุณไม่มีผ้าห่มแน่นอนเชื่อเหรอแบบใครนะแบบผ้าผ้าพาหิยะ ถ้าพายะนี่เป็นพระที่บวชมาเนี่ยท่านไม่เคยสงเคราะห์เรื่องจีวรแบ่งจีวรถวายคนอื่นเลยไม่เคยแบ่งบาตแบ่งจีวรเป็นต้นทําบุญเลยเพราะฉะนั้นชาติหลังท่านไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุเหตุผลก็เพราะว่าเพราะอะไรเพราะไม่มีผ้าไม่มีผ้าและไม่มีผ้าที่แม้กระทั่งจะเป็นเอหิพิกขุอุปสำปทาด้วยเพราะอะไรเพราะไม่เคยทําบุญในเรื่องผ้ามาเลย เนี่ยบางคนก็เลยเดือดร้อนในลักษณะนั้นแม้แต่ชาติสุดท้ายก็ยังเดือดร้อนในเรื่องผ้าบางคนนี่ก็เดือดร้อนมากเลยเรื่องผ้าบางคนนี่แหมใช้ซะขี้เกียจซักเลยเนี่ยนะบางคนเนี่ยเขาบอกมีเยอะเมื่อกันแหละแต่ขี้เกียจใช้เพราะขี้เกียจซักขี้เกียจรีดรีดไปก็ไหม้ทีละตัว2ตัวเป็นต้นนะนะก็ดูบางคนนี่เดือดร้อนในเรื่องอาหารเนี่ยนะเห็นคนอื่นเขาทานอาหารที่ตัวเองชอบนี่ก็กลือนในแต่กลืนน้ําลายแล้วก็ทานในสิ่งที่จําทนไปวันวันหนึ่งเป็นต้นก็แสดงว่าแล้วชาติหนึ่งต้องทานกี่มื้อ แล้วเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกกี่ชาติแล้วเราทําอะไรที่เป็นเหตุให้เสเบียงไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัยสี่ต่อไปในอนาคตบ้างเนี่ยเรียกว่าเตรียมการอนาคตบ้างทีนี้ต่อไปอีกแล้วก็เรื่องที่อยู่อาศัยละ่ะอย่างบางคนนี่เดือดร้อนถูกไล่ที่ประจําหาที่หลับที่นอนก็ยากมีบ้านบ้านก็รั่วพายุ ก, ก็ทับผมเป็นต้นเนี่ยนะไฟก็ไหม้น้ําก็ท่วมเป็นต้นก็แสดงว่าเราทําบุญในเรื่องนี้อดีตทํามาไม่ดีเป็นแน่แล้วทํายังไง จะไม่เดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยต่อต่อไปในอนาคตเราก็มาคิดดูเนี่ยนะมาพิจารณาดูว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะตะัตจักรทำยังไงเราจะไม่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่ที่อาศัยบางคนก็เดือดร้อนในเรื่องอยู่เรื่องยาเหลือเกินเนี่ยนะป่วยทีพวพูดถึงเรื่องยาเนี่ยมันยากแท้เนี่ยนะมันยากแท้แม้กระทั่งยาที่เรียกว่าพาราก็ยังหาฐานไม่ได้เนี่ยบางคนเนี่ยมันทุกข์ยากขนาดนั้น มีครอบครัวหนึ่งเขาเล่าให้ฟัง เ, นะเขาก็เป็นแบบแบบเป็นชาวชนบทอ่ะนะเป็นชาวชนบทก็แต่งงานพอแต่งงานไปก็จากบ้านพ่อบ้านแม่ไปอยู่กระท่อมป่ายนากำลังกนสองสามีมปรรยาแล้วก็ได้ลูกน้อยมาคนหนึ่งพอได้ลูกน้อยมาคนหนึ่งลูกมันป่วยพอลูกป่วยเนี่ยค่ายามันก็2อาบาทอ่ะนะมันนอกกันนะไม่มีค่ายาสองสาบาทเลยอะ่ะไปขอหันไปหาขอพ่อตาแม่ยายก็ถูกด่าให้อีกไงนะ ก็เลยไปขอแม่ตัวได้มาไม่กี่บาทนะครับเพื่พาลูกไปเนี่ยนะกว่าจะเลี้ยงลูกแต่ละคนเติบโตขึ้นมาระวังกันอันนี้นี่แค่ต่างจังหวัดอะนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาทุกข์ยากมากขนาดนั้นเลยกับชีวิตของเขาแม้แต่ยายาราคาไม่กี่ตังเนี่ยนะไม่กี่บาทเนี่ยที่จะเลี้ยงลูกก็อย่างยากนี่นี่ดีนะว่าอาหารเขาไม่ต้องซือ้อข้าวไม่ต้องซือ้ออาหารก็ตามท้องไร่ท้องนาไปใช้ชีวิต กว่าจะเจริญเติบโตมาหลายๆคนเนี่ยเดือดร้อนเรื่องที่อยู A ่อาศัยเนี่ยกว่าจะได้บ้านสักหลังหนึ่งบางทีทําบ้านเสร็จตายพอดีเนี่ยนะแทบไม่ได้อยู่หรอกเนี่ยนะเรียกว่าก่อนฉลองบ้านก็ตัวเองก็ตายแล้วเนี่ยนะก่อนที่จะทําบ้านเสร็จคือบางคนเนี่ยบุญน้อยเนี่ยเดือดร้อนเรื่องเครื่องนุ่งห่มก็เดือดร้อนจะาหาผ้าห่มสักผืนหนึ่งก็ยากนะเหน็บเนี่ยนะหน้าร้อนก็ได้ใช้ผ้าที่ไม่ค่อยเหมาะสมกับตัว หรือแม้กระทั่งเรื่องอาหารก็ไม่ได้อาหารเป็นที่สบายได้แต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าที่อยู่อาศัยเนี่ยก็ได้อยู่ในแหล่งที่ไม่น่าไม่น่าอยู่เนี่ ย, เ, ยเป็นสถานที่ที่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศหรือตลอดจนถึงแม้กระทั่งเรื่องอยู่ยาทั้งหลายก็มาดูว่าหนึ่งคนที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดนีย่ยังคิดว่าตัวเองเดือดร้อนในเรื่องราวเหล่านี้ไหมหรือว่าสบายแน่นอนว่าอุ้ยทำผ้ามาเยอะเนี่ยนะ ให้ทานผ้ามาเยอะแยะเลยถ้าอย่างนี้ก็ดีอ่านะอนุมโมทนาถ้าปีหนึ่งเนี่ยเช่นว่าให้ผ้าพ่อแม่ใช้เยอะเลยบริจาคผ้าให้คนอื่นใช้เยอะเลยหรือเกี่ยวข้องกับพระพิสูจน์ถวายผ้าไตรปีงเป็นสิทธิไตรอย่างนี้นะเป็นต้นถ้าอย่างนี้ก็อาจจะเชื่อพอเชื่อได้ว่าคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่ในเรื่องผ้าแต่ถ้าหาว่าเกิดมาแล้วก็ไม่เคยหนึ่งผืนก็แทบไม่เคยรำแล้วก็ทําใจไว้เถอะว่าชาติหน้าก็นุ่งขนตัวเองไปก่อนก็นแล้วกัน อา้าวบางทีศัตว์บางตัวนี่นุ่งขนตัวเองอย่างเดียวบางพวกนุ่งเกล็ดตัวเองอย่างเดียวนะก็ใช้ขนไปใช้เกล็ดไปเนี่ยนะ ก, ก็อย่างนั้นแหละบางคนเนี่ยถึงมีผ้ากา็ไม่มีโอกาสได้ใช้ผ้าเลยเนี่ยนะก็แทบจะเรียกว่าหาไม้มาพันพันเอวแค่นะั้นแหะเพร่าปกปิดแค่นะั้นก็ไาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นยุงก็กัดแมลงก็กวนเดือดร้อนไปหมดเลยเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าประโยชน์โลกหน้าทีนี้คนที่บอกว่าเขาจะนิพพานแล้เนี่ยนะ ก็ต้องดูว่าถ้าประโยชน์โลกหน้ายังไม่มีเลยอยากจะเอาไปได้ประโยชน์อย่างยิ่งคนที่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยคือคนที่เขาเบื่อแม้กระทั่งสวรรค์นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีโอกาสหัไม่มีปัญญาสแสวงหามนุษยสมบัติสแสวงหาสวรรคสมบัติแต่เขาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เที่ยงคือเขาสามารถจะอยู่ได้ในวัฏะอย่างสบายแต่เขาเลือกที่จะออก แต่ถ้าพวกแม้แต่สวรรค์ยังเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดถึงนิพพานอะไรที่ไหนโลกเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านั้นถามเอาจากอะไรสวรรค์นิพพานเป็นต้นเนี่ยเอาจากอะไรทวงเอาจากใครจากใจของเราเนี่ยนะใจของเราน้อมเรื่องเครื่องนุ่งห่มน้อมจะเอาหรือน้อมจะให้อาหารเราน้อมจะกินเองหรือน้อมเพื่อที่จะให้ที่อยู่อาศัยน้อมจะแค่ใช้เองหรือน้อมที่จะให้ยาทั้งหลายน้อมที่จะบริโภคเองหรือน้อมที่จะ ให้ถ้าน้อมที่จะให้มากๆอันนั้นสวรรค์สมบัติไม่น่าจะเดือดร้อนคนที่จะบรรลุมรรคผลคือคนที่สละสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแหละนะไม่ใช่เป็นคนที่กอบโกยแล้วก็ตักตวงเนี่ยนะไม่ใช่ลักษณะนั้นแต่เป็นคนที่พร้อมที่จะให้พร้อมที่จะเสียสละเพราะคนเหล่านี้ในโลกนี้เนี่ยปัจจัยสี่เป็นของคนที่เขาให้เป็นคนที่ให้ผ้าเป็นทานเยอะๆจะไม่เดือดร้อนในเรื่องผ้าคนที่ให้อาหารเป็นทานมากๆจะไม่เดือดร้อนในเรื่อง อาหารคนที่ให้ที่อยู่อาศัยมากๆจะไม่เดือดร้อนเรื่องที่อยู่หรือแม้กระทั่งคนที่อ ะ, อะไรนะคนที่ให้ยาเป็นฐานมากก็ไม่ค่อยเดือดร้อนในเรื่องเรื่องยาเนี่ยนะแต่ถ้าเบียดเบียนสัตว์มากก็ไม่เดือดร้อนในเรื่องโรคเหมือนกันนะแปลว่าไม่ค่อยกันดานโนะโโราาาโรค เ, เนี่ยนะโอ้โหรุมเราเข้ามาเถอะโรคเอ้ยเนี่ยนะแต่ก็ยังพอมีใช้ยาบ้างอะไรยังดีเหมืกันแต่ว่าสรุปว่าในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะัน มหาพูดทั้งหลายเนี่ยปัจจัยสี่เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่ออาหารต่อรู ป, ปกายรูปเกิดเพราะาปัจจัยสี่เ่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะชีวิตเนี่ยดำรงอยู่ได้เพราะอาศัยปัจจัยสี่ทีนี้คนที่จะปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายและคลายกําหนัดในปัจจัยสี่นี่ก็เห็นว่าโอ้โหเนี่ยฉิวแล้วถ้าต้องเวียนไหวตายเกิดเนี่ยปัจจัยสี่มันเป็นภาระเหลือเกินเนี่ยนะเห็นภัยในการอะไรนะเห็นภัยในการสแสวงหาปัจจัยสี่ที่เคยมีมาใน อดีตเห็นภัยของการสแสวงหาปัจจัยสี่ต่อๆไปในอนาคตและเห็นภัยของการสแสวงหาปัจจัยของสรัรพะสัตถ์ทั้งหลายในปัจจุบันเขาก็เจริญกุศลอย่งยิ่งขึ้นไปในที่สุดเพื่อที่จะนําออกจากวัฏฏทุกข์นําออกจากสังสารทุก์ทั้งหลายเนี่ยนะอันนั้นแหละเรียกว่าเป็นสันโดษเป็นผู้ที่สันโดษอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็คือคนที่สันโดษอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องอ จะเจริญกุศลธรรมอย่างไรโดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาปัจจัยสจนโน่นแหะถ้าบรรลุอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วนั่นแหละมีนิพพานเท่านั้นแหละที่ไม่ต้องอาศัยปัจจัยเนี่ยนะเมื่อตรัสรู้พระนิพพานแล้วนั่นแหละจึงจะเลิอกอาศัยปัจจัยสี่แต่ถ้าไม่บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยนะปัจจัยสี่ก็ยังสําคัญอยู่ตราบนั้นอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดขาดอาหารตรัสรู้ได้ไหมก็ตรัสรู้ไม่ได้เนี่ยนะปฏิเสธอาหารเลยก็บรรลุไม่ได้ หรือหมกมุ่นอยู่แต่กับอาหารก็ตรัสรู้ไม่ได้เพราะอาหารเนี่ยนะก็เป็นอาหารรูปเป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่สําคัญเนี่ยน ะ, ะถ้าใช้คําว่าอาหารปั๊บก็ทั้งเครื่องนุ่งหม่มทั้งที่อยู่อาศัยทั้งยาทั้งหลายก็เข้ามาหมดแล้วเนี่ยนะนนชีวิตก็เป็นไปอย่างนี้รู ป, ปรกายทั้งหลายก็ดํารงอยู่ได้อย่างนี้แล้วกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4ล่ะเนี่ยนะเพราะคนที่ได้รับประโยชน์อย่างยิ่งนั้นคือคนที่บริบูรณ์พูนสุขด้วยประโยชน์ใน โลกนี้และโลกหน้าทั้งหลายเนี่ยนะพระปุณะมันตานีบุตรนั้นเป็นผู้ที่สันโดษเนี่ยนะเห็นสันโดษในปัจจัย4แล้วก็สันเสริญเรื่องอเห็นโทษของการไม่สันโดษแนะนําผู้อื่นให้อยู่ในความสันโดษเนี่ยนะให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามเพราะว่าผู้ที่สันโดษในปัจจัย4ี่นั้นก็คือผู้ที่มีปัจจยสันนิสิตาศีลเนี่ยนะเพราะว่าเรื่องอสันโดษนั้นก็คืออยู่ในกลุ่มของศีลทั้งหลายเป็นคนที่เจริญ อที่สีละสิบขาเนี่ยนะเขาเป็นคนที่มีศีล